วันเกิดเบิร์ดเดย์เมาเซทุกปีเล่ายาอาหารฉันดีเพื่อนฝูงมีทุกคนต้องมาร้องรำทำเพลงคลื่นเคลงสนุกเฮฮาอิ้มนํำสํำราญทั่วหน้าขวดปลาสุรากองอยู่เรียงรา ไม่มียายชราเจ็บไข้ไม่มีค่ายาเลี้ยงลูกมาหลายคนมากมายอูตาฝ้า ลทิ้งลูกชายหญิงไม่มีแม่เงาลูกอยู่ในเมืองรุ่งเรืองเพชรทองแปลเปล่าส่วนแม่นั่งกินข้าวเปล่าสำรับแม่เท่าแค่ถ้วยน้ำปลาวันเกิดเบิร์ดเดย์ฮาเฮเข้าไปตอนรับเพื่อน ไกลไกลทั้งหญิงชายชนแก้วสุรา วันเกิดเบิร์ดเดย์ฮาเฮเข้าไปตอนรักเพื่อนฝูงใกลไกลทั้งหญิงชายชนแก้วสุราวันเกิดวันเมาตอนเป่าเทียนต้องเฮาอีกมุมแม่ผูชาราน